ที <Souls> ่สถ languages. t h i ป t y t h r e e Tethys. At the train station. b e t a r a i n Berlin. Station. Train. b e a l i t r a i n Berlin. e l i e a b a e i n รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไร่คะอัลลีเทรน์ป र ि न, ี के लिए ลี ज ยคบจรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะอ गली ีเทรน์ลอนดอนคือเลี้ยคบรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะวอร स ा่าจะเนวาลีเทรนคี่เน่ेเจรว่านาฮุกี รถไฟไปสตอกโฮมออกกี่โมงคะสต็อกโฮมจะไปรถไฟคันนี้ออกกี่โมงคะรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะบูดาเปสต์จะไ a รถไฟคันน a ้ออกกี่โ h งค i ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะมุ่งเป็นมาดร a ดค่ะตั๋วหนึ่ i ที ดิฉันต้องการตั๋วไปปราศหนึ่งที่ค่ะมุจเจปราศก้าอีกตันงที่คัะมุจเบอร์นก้าอีกตัวหนึ่งที่ค่ะรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะรถไฟถึงมอสโคเมื่อไรคะ รถไฟถึงอัมสเตอร์ म म ร न, ดัมเมื่อไรคะเทรินอัมสเตอร์ดัมกับไปถึงที่ฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะแก้มาเจอเทรินเปลี่ยนนะรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะเทรินคิสแพลตฟอร์มซี่จะเล็ รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ क ् य รถ् र มีสेंนो न े की स ह ด ल त है ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลส์หนึ่งเที่ยวค่ะม ुझे ๋วไปบรสลหนึ่งเที่ยวค่ะมีตั๋วไปบรัสเซลหนยตั๋วไปรันตั๋วกรลงตัวบรเลตัวปบลนเท่ค่ะมับเนเ่ค่ะมีตนึ่่ยวค่ะต ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไรคะสลิปเปอร์เมื่อเอกจักรค่ะคีมัห